ฟังทำก็ไม่มีสิ่งใดที่จะพูดให้ฟังหรอกที่สุขโตเนี่ยในแต่คำชับคาชาเรื่อง ก, การเจริญสติขนานั้นการเจริญสตินี้ก็ทำให้กันไม่ได้สิ ด, ด้วยในเหมือนทำอย่างอื่น <c oughs> เราจะต้อง ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามมีสติไปกับการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราจัดสรรเวลาให้ตัวเรามากๆก็อริอบทที่เราสร้างสติเห็นนั่งยกมือเคลื่อนไหวเห็นอริอบทเลิ่มความรู้สึกเข้าไป กับบริบทที่สร้างขึ้นมีเจตนาหรือไม่ใช่การเดินจงกลมอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงนอกจากกริบทนี้แล้วก็พยายามที่เติมความรู้สึกเข้าไปบางทีก็ลองหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกเข้าไป ลมหายใจาใช่ลมหายใจเตองสตินี่ก็เป็นประโยชน์เพราลมหายใจมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่าถ้าไม่สนิทไม่สติไม่ติดกับลมหายใจมันก็ ก็ทำเล่นๆก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าทำได้ผนก็เป็นประโยชน์ที่จริงบางคนของพูดวาาลมหายใจเป็นเรื่องที่ละเอียดไม่เหมือนกับกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวมันเห็นได้ชัดมันหยาบกว่า ถามองแบบหนึ่งลมหายใจมันก็หยาบเหมือนกันไอ้ลมหายใจมันท่องหมดของชีวิตเราแะ้วมันก็เป็นใหญ่เสีย ด, ด้วยทุกเวลานาทีมันต้องหายใจเข้าหายใจออกไปเสมออาจจะไม่เหมือนกับรีบ ท, ที่เราสร้างขึ้น ก็จะ <c oughs> มองแบบความสะดวกเราหายใจก็สะดวกถ้ามีสติดีแนละ้วมันบางคนหยาบมันก็หยา บ, ม, ยาบมันก็จับได้ง่า ย, ถ, าายถ้าเราคุ้นเคยถ้าเราคุ้นเคยแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยมันก็หลงได้ง่าย ถ้าเราคนเคยมันก็รู้ได้ง่ายสุดทา้ายก็สรุปแล้วก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละอ่าตอนเปิกใหม่ๆเราจะาจุดใดที่มันสะดวกก็ทำลงไปหลังเราที่หัดฉีดหัดเขียนอันนี้ก็หัดเขียนใหม่ก็ต้องเมยลงไปนอนลงไปจับปากกาจน จับเดินสซจนเหงื่อไหลต้องได้เค็ดมืออยู่เรื่อยๆเราทำเป็นแล้วอะไรแบบไหนก็ได้แต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่การใส่ใจที่จะรูนะ้นั่นแหะมรู้สึกตัวนน่อจับมันเป็นเป็นหลักมันไม่ไปทางไหนตายเห็นลู่มก็ยังรูด้ได้สมมติได้ยินเสียงก็รูด้ได้ อะไรๆมันก็หลูดได้ความรู้สึกตัวน่ะมันเป็นมุมกลับความรู้สึกตัวมันเป็นมุมกลับมันไม่ไปมันไม่หลุดออกไปถ้าเรามองถึงมุมกลับเห็นความโกรธกความไม่โกรธความคิดกับความรู้สึกตัว ความโกรธกับความรู้สึกตัวความหลงกับความรู้สึกตัวอะไรก็ตามที่มันมีมากมากทวานมากมากแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่กับความรู้สึกตัวมันเป็นมุมกลับถ้าเรากลับอยู่ที่ทุกครั้งทุกครั้งมันจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ชีวิตของเราที่แท้ก็มีสองสองสี่สองส่วน ส่วนความโกรธส่วนความไม่โกรธส่วนความทุกข์กับส่วนความไม่ทุกข์ส่วนความล้งกับส่วนความไม่ลง้งยืนหยัดอยู่กับภาวะที่รู้ที่รู้ที่กลับเนี่ยชีวิตของเรามันต้องให้มันจำนานวันหนึ่งวันหนึ่งภาวะที่มันจะไปทางอื่นมันมากแต่เราใส่ใจตรงที่จะรู้สึกตัวเนี่ย เราจะได้พบเห็นถ้าจะว่าแล้วก็เห็นแเรื่สัตว์ก็เห็นตรงนี้แหละเห็นความทุกข์เห็นความเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์แล้วรู้วิธีที่จะดับทุกข์อานรู้วิธีที่จะดับทุกข์ตัวเนี้อ่ะมันไม่มีอื่นใดหรอกนอกจากความรู้สึกตัวเนะความรู้สึกตัวจะเป็นอืช่องทางที่จะทําให้เห็น อริยสัจสีเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวงจรของชีวิตเราทุกแง่ทุกมุมเอาอริยสัจสีนี่ไปกำหนดได้หมดทุกอย่างจะเป็นปฏิจจสมุปบาทจะเป็น ทกขังอันนี้จังอนัตตาจะเป็นความโลภความโกรธความหลงจะเป็นทิเลตัญหาราคาโทสะโมหะเราลู้หลักอายุสัตว์สี่มีสติในจุดเรา <c oughs> เป็นการศึกษาที่เป็นคู่มือ <c oughs> เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันก็คู่มือของเรา กับคู่มือการช่างคู่มือเวไนคู่มือพุทธคู่คู่มือธรรมะอะไรนั่นแหละหลักเฉลยความรุ้สึตัวเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเป็นหลักเฉลยมันก็ไปลงอยู่ในกฎอริยสัจสี่ทั้งหมดนั่นลหละในโลกเนี่ย การเจสตควบคุมทั้งหมดการเจริญสตินี่มันถ้าเป็นการศึกษาก็เป็นการศึกษาครบถ้วนเราไม่ได้ได้นั่งหลับหูหลับตาในกรนี้รณีก็ยังได้ยินเสียงดนตรีเสียงเข า, าใช้หนัง มันก็ไม่ไปสีภาษาอะไรหรือแม่แต่เขาจะมาดูมาด่าเราแล้วก็จะเกิดความฉลาดถ้าเรามีสติแล้วก็มองถึงเหตุที่เขาด่าถ้าเรา <c oughs> เป็นคนผิดแล้วก็ ้ประโยชน์แต่เราเป็นคนไม่ผิดเราก็ได้ประโยชน์ทังก็ไม่ได้โง่อะไรมันก็เกิดความฉลาดมันเป็นมุมกลับแล้วก็มาด่าแล้วเราโกรธมันก็โง่สองต่อโง่กว่าคนที่ด่าไปไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้ที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลง ถ้าเรามารูดตัวเองนะถ้าเราไม่รูดตัวเองเนี่ยโอ้ยโยแย่ยไปหมดเลยต้องยากต้องลำบากปัญหามากมายถ้าเรารูลหรอกอ้าวอยู่โยงคองกับพันลอยเลยในโลกนะ วิธีฝึกสติวิธีเจริญสติที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นคู่มือชีวิตของเราจะเฉลยชีวิตของเราแล้วดูโลกลูก ล, ลูกลูแก้งด้วยถ้าจะพูดตามความรู้สึกตัวนะในโลกนี้มันไม่มีอะไรมาก <c oughs> ในนินทาสารเสินไมหได้ไมเสียไม่จุกไม่ทุก มันเป็นบวกเป็นลบมีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความมาช่ยตัวตนมีเหตุมีปัจจัยมากมายช่องทางที่ทําให้เราหลงไม่มากเหมือนกันแต่หลักของความรู้สึกตัวเนี่ยยืนยันจุดเดียวในความรู้สึกตัวกับ ม, มุมกับเราได้ช่องทาง รูดเสร็จตัวเป็นหลักเป็นหลักที่จะดูดูออกได้ดวงตาที่จะเห็นดูมันทั้งนั้นละ่ะเห็นมันทั้งนั้นละ่ะถ้าดูถ้าเห็นมันก็ไม่ได้ติดเป็นมันมันก็ความหลุดพ้น ความไม่เป็นอะไรก็อยู่ตรงนั่นความหลุดพ้นก็อยู่ตรงนั่นเอาดุนดุนไปก่อนปึกใหม่ๆอย่าเพิ่งไปเอาเหตุเอาผลอย่าเพิ่งเอาผิดเอาโทกรู้สึกตัวรู้สึกตัวเอาไว้ความรู้สึกตัวคือเป็นกรรมลนะ่ะเป็นกรรมที่สักทิศรู้สึกตัวนะ ถ้าเพิ่งหลุดออกจากทางนี้ยืนไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนทำรู้จักตัวนะให้มันแจกกล้าขึ้นมาจะยืนอยู่ได้ในเวลาที่มันจะหลุดเห็นตนไม้ตนใ ด, ม, นน ด, นนดนมันยืนอยู่ได้นานเท่าใดตนกล้าที่เราปลูกมันยืนอยู่ได้นานเท่าไร มันก็เป็นประโยชน์ออกลากประสบการณ์เข้มแข็งใหน้ำไหลอากาศแสงแดดก็เป็นประโยชน์น้ำฝนก็เป็นประโยชน์ลมพัดก็เป็นประโยชน์ชีวิตของเราที่เป็นนักปฏิบัติผู้ที่จเจริญสติเนี่ยต้องยืนอยู่ตรงนี้แหละลู้ลเอาไว้ลู้เอาไว้ให้รู้จักตัวเอาไว้ เวลาเน่ไม่ใช่เรามาเอาเหตุเอาผลเรามาฝึกเรามาศึกษาชีวิตของเราตัวศึกษาคือความรู้สึกตัวเนี่แหละความรู้สึกตัวจะเป็นตัวที่ศึกษาที่รอบตัวรอบด้านอ๋อได้ยินเสียงก็เป็นความรู้สึกตัวมกได้กลิ่นคือความรู้สึกตัวเล่นไหลลดคือความรู้สึกตัวสุขทุกข์ก็คือความรู้สึกตัวร้อนหนาวคือความรู้สึกตัวเอามันจุดนน่แหละพวกเรา แต่ว่ากำชับกมชาตัวเองอยู่ตรงนี้การฝึกใหม่ๆหลุดไปทางอื่นไปสุขไปทุกข์ไปผิดไปถูกไม่แต่ความถูกความผิดไม่แต่ความสุขความทุกข์บาทีก็ไปเอาทั้งสองอย่างสุขก็เอาทุกข์ก็เอามันมันมันหลุดน็อตหลุด มันก็เายไม่เป็นรูปเป็นร่างมันก็เราจะสร้างบ้านต้องต่อต้องตั้งไว้ก่อนถ้ามันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่าเพิ่งไปใช้มันมันพังได้แต่เพิ่งไปเอาสุขจะเพิ่งไปเอาทุกข์รูปจุกรูปจุดกไ็ไหวไอ้ทีที่จะรูปเนี่ยหามา มันทันเวลาให้มันทันเหตุทันปัจจัยความรู้สึกตัวนะ่ะอย่างอยูบนรถเลยเดินอยู่ตามถนนหนทางบินธรรมบัดเวลาขบร้อยชั้นเวตาเห็นลูกอ่าให้ความรู้สึกตัวในโอกาสความรู้สึกตัวบางทีก็อ่อนโยนบางทีก็อ่ายืดยุน่นไม่ใช่ขึงขับ ความรู้สึกตัวนะยืดยุ่นอ่อนโยนบางทีก็ยิ่มแยีมยืนหยัดควรู้สึกตัวนเราหอวยิ่มเราก็ยิ่มก็เราเคาไปแต่ว่าลู่ภายในปากยางใจยางความรู้สึกตัวนะมม ไ, นนมวนะไม่ใช่ปฏิเสธไม่ได้ด่วนรับไม่ได้ด่วนปฏิเสธความรู้สึกตัว เราคัดกลางอยู่รู้สึกผิดก็รู้สึกถูกก็รู้สึกอืต้องรู้สึกตัวเกิดความเป็นกลางเป็นธรรมทำให้ความเป็นกลางมักจะเป็นธรรมต่อตัวเองอาจจะมา ตัางตรงนี้ละก็เราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็เพียนตรงนี้แหละความเพียนเท้จริงคือความรู้จักตัวเน่ยนะแล้วมันก็ทำได้ความรู้จักตัวเนี่ยเราอย่าไปปฏิเศธชีวิตของเราบางทียังไม่ได้ทำอะไรก็บอกว่าทำไม่ได้ในจริงเราวมันก็ทำได้อยู่ มันก็เราดูอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องกระพริบตาพอดูปัไม่เห็นปั๊บเราไม่ใส่ใจลงไปไม่ดูพาด่า น, นหนังสือ บ, บางทีก็สายตาคนแจ๋นเนี่ยมันก็ก็ต้องกระพริบเรื่อยๆบางทีก็นวดตาเรื่อยๆค่อยดูอีกใส่ใจไปปึ๊บเราไม่ดูไปก็ทิ้งไปเลยไม่ใช่การใส่ใจ การเพียนพยายามให้มันทำให้เรามีประสบการณ์ดี ม, มันกับเรามันกับบอกพระเอาสายยางไปต่อท่อพอไปจดดูแล้วทำอะไรจุกยักยกย้กันไม่หน่อยทำให้ได้ มันไม่ได้อ่ใส่ใจสักหน่อยดูนะดูผมจะทําให้ดูไปจอดูเขาก็บอกว่าทําไรได้เราวางทีเราไปทําค่อยใส่ใจสักหน่อยค่อยใส่ใจสักหน่อยค่อยทําค่อยเอน็นค่อยเอียงค่อยออสอดเข้าไปเอาไปมากา็ใช่ได้นี่ต้องใส่ใจบางทีมันนิ่มนวลดีนุ่มนวลดี ในเราจะเปิดกอกน้าเราจะปิดกอกหน้ามาจากพึ่บพับ พ, พึบพับใส่ใจสักหน่อยมันรู้สึกว่ามันสุขขมหลอบครอบอย่าทำแบบผงผางโลสึกตัวความรู้สึกตัวหน่อยโอ้มันน่าชมชวยผีมือเราวนะทำอะไรถังราวที่จะโกรธก็ไม่โกรธ หนากก็หตัวเองถึงข้าวเจ็บทุกข์ก็ไม่ทุกข์ความทุกข์น่ยทำให้เราเด่นความโกรธความลาบากทำให้เรามีชีวิต ท, ที่เด่นเด่นอาจจะเป็นดาราตลอดชีวิตดาราก็คือภาวะที่ลุยได้ที่ที่มีชัด น, นเชิง ไม่ใช่ดาราในหน้าจอใ้อะไรไม่ใช่แบบนั้นความโกรธแต่ความโกรธแทนที่จะโกรธเราไม่โกรธเป็นดาราเป็นพระเอกก็ได้ความทุกขามไม่ทุกข์นะคนอื่นทั้งหลายก็ทุกขโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวตายตายตา ย, ตายแบบนี้ไม่ไหวแย่แล้วแต่เราก็อืมดูไม่เห็นแย่ตรงไหมมันก็ต้องไม่มีอะไรที่ไม่ไหว ไม่มีอะไรที่จะต้องตายเราก็โลดซึ่งในโอกาสเช่นนั้นมันชั้นเชิงมันดีมากนี่ถ้าเป็นไพ่เอกก็มีชัยชนะโดยเพาะเรื่องกิจใจเนี่ยเรื่องฝึกสติสติแท้มันก็คือการฝึกกิจใจของเราเนี่ยแหละมัน อย่างเดียวเนี่ยใจของเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเรื่องของใจมันก็ดูแลอะไรทุกอย่างถ้ามีสติแล้วมันก็ดูแลทุกอย่างไม่ได้ปฏิเสธจิตใจมันถ้าจะเป็นเมตตาก็เป็นอัปปมัญญาค่วงใหญ่ไพศาล สาารณะดีต่อทุกสปปรรพสิ่งแต่เป็นความรักก็เป็นรักธรรตะไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขเหมือนแบบโลกคนรักกันความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหงกับพ่อแม่รักลูกไม่มีเงื่อนไขจะเป็นคนดีไม่ดีก็ไม่มีเงื่อ น, นไข พระเจ้ารักคนทั้งโลกไม่มีเงินขายอะไรเพราะนั้นเราตรงนี้แหละมุมตรงนี้แหละเราพยายามดูดีๆศึกษาดีๆอยาาปฏิเสธอย่าไปปฏิเสธสถานการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆเอามาเป็นบทเรียน เราวันดีขึ้นดีเราจะสงบวงเรี ม, มเสียงอะไรมันลุกพื้นขึ้นขึ้นเราเห็นเรามาได้อยู่คนเดียวอยู่หลายอย่างเราก็ต้องอยู่ในนี้แหละโลกในนี้โลกพระเจ้าอ่ะโซทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ดีตัวเราก็้ามันกันนอกในนอกตัวโลกในตัวโลกโลกน้ําโลก โลกที่มันเป็นโลกตามที่มันเป็นโลกถ้าเราไม่มีโลกมันก็เป็นลาภของเราแล้วอะโลขยาปรมาราภาวา่าไม่มีโลกเป็นลาภบนใบเสร็จพระเจ้าประกาศไปทุกที่ทุกทางอานทีพระพุทธองค์ก็สงบให้ดูเดินให้ดูบางทีก็พูดให้ฟัง เด็ก็ทำให้เห็นหาหลาพระภิกษุลาสาวกของพระองค์ตัองสอนไปที่ไหนทางไหนถ้าจะพูดเล่าพระเจ้าพูดแต่เรื่องเนี่ยเรื่องสติทั้งนั้นแหละไม่เหมือนกับพระสองทวนนี่พูดเรื่องอ่า ้อครูเรื่องตำแหนง่งเรื่องพิธีไปโนดไม่ได้สอนเรื่องการเจริญสติหรอกโดยเฉพาะการประชุมของคณะของคณะสงฆ์การปกครองยิ่งไม่มีเลยสถานาการณ์โดยยังไงบ้านเมืองเราเป็นยังไงความผิดพลาดไม่ไม่เคยปารบเรื่องการเจริญสติอายนะพวกนี้เราจะได้ไปประชุม จะไม่สารเข้าไปด้วยนคไปใครไปแทนไ ป, ไ ป, น ไ, ปไปชมจังหวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงูมหนึ่งพันหกสิบห้าวัดในจังหวัดเชียงูมต้องไปทุกวัดไปไปดูแล้วก็รวหูรวตาไปตามเข า, านะแล้วและแตที่จริงไม่มีประโยชน์เลยหรอกเนี่ย าไปประชุมที่คอนเก่นเนี่็รลูกศิษย์รองคอเทียนเพียงแต่ย่าไปนัดกันจะโปรแกรมจัดงานี่ทำยังไงยังไงเลขาของมนิทิผมก็บอกว่าลองให้มันก้าวหน้าดูสิดูประเทศชาติดูสังคมเราถ้าจะถ้าจะไปนัดวันปฏิบัติธรรมตามโปรแกรมต่างๆไม่ต้องไปรวมกันก็ได้เอาจดหมายส่งไปหาเลขากองเลขาก็ได้ นี่เราไปชมกันแล้วต้องให้มันกล้าวหน้าสักหน่อยมองอะไรดูที่อะไรที่มันเสื่อมอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อชมุมชนที่เราอยู่อาศัยมองรอบๆดูก็ไปไม่ได้อเอาไปเี๋วจะเสียเวลาเพรานอ๋อยังไงก็ได้สำหรับเราแต่ว่าหลักชีวิตของเราจริงๆนี่หละคือความรู้สึกตัว ก็จะสอนให้คนให้มีความรู้สึกตัวนี่แหละเราจะชวนกันตรงนี้แหละเอา้าลงไปมองมองมกลับลงดูจะเห็นสิ่งที่ไปเสด็จอยู่ตรงนั้นแหละจะมีความรู้สึกตัวอย่าไปอย่าไปมันจะล้องกวรลู่ไว้มันจะทุกข์ก็รลู้ไว้มันจะสุขกว่าลู้ไว้ มันจะคิดมันจะเอาเหตุเอาผลก็รู้เอาไว้มันจะชอบมันจะชังก็รู้เอาไว้เนี่ยลองดูตรงนี้นานๆลองดูงจะเจาะเอาะกับเหตุการณ์ต่างๆเห็นของจริงชีวิตของเราเห็นเต่าเห็นตีนงเห็นเตีนไก่ไก่เห็นตีนงเห็นตีนไก่ อ๋อมันอยู่ตรงนี่เลยเนี่ยมันก็มีท่านเองแค่นี่ยหรือชีวิตของเราโอ้อมันก็ไม่มีอะไรถ้าเรามีความรู้จักตัวถ้าไม่มีความรู้จักตัว ม, มากกีดเด็ทั้งพันหา้าทั้งร้อยแปดเรามีความรู้จักตัวมันก็ไม่พร้อมทุกอย่างมันก็ไม่ไปทางไหนมันก็อยู่ตรงนี้มุมกลับมุมกลับ ความทุกข์กับความไม่ทุกข์มันก็ไม่มีความโกรธความไม่โกรธมันก็ไม่มีความหลงความไม่หลงมันก็มีก็ อ, อยู่ตรงนี้หรอกนะมันตับตรงนี้เป็นหลักเฉเลยชีวิตมันก็ไม่มีมากไม่มีอะไรที่ทําอีกถ้าอยู่ตรงนี้ได้มันก็มีตรงนี้เองเราจะเรียกว่าศิณสมาธิปัญญา ก็คืออยู่ในกุ๊ปนี่แหละแต่จะเรียกว่ามรกว่าผลก็อยู่ในกุ๊ปนี่แหละกุ๊เดียวกันเข้ากันได้น้ำก็เข้ากับนมได้ความรู้สึกตัวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรเป็นผลเป็นออะไรไปโน้น มันเราเอาหลักนี่แหละพยายามเพียนตรงนี้แหละพรเราลู้เอาไว้ลู้เอาไว้สร้างเอาไว้ไม่เมก็สร้างขึ้นมันก็สร้างได้มันก็กลับขึ้นมาได้มันหลงไปก็เอาคืนมาให้เป็นความลู่ได้มันผิดไปก็เอามาเป็นความลู่มันถูกไปก็เอามาเป็นความลูอ่อยู่ตรงนี้นานๆ <c oughs> ขยันตรงนี้สักหน่อยขยันอย่างอื่นเอาไว้ก่อนแต่ขยันตัวลู่ตัวกลับเนี่ยให้มากๆ เราก็อยู่ร่วมกันทําครัวทําอาหารทําโน่ทนทํานี้อันที่ต่อไปนี่เราก็จะต้องมีการสร้างกติเวลานี่เป็นเวลาพอหมอกพอดีล่ะถ้าอีกเดือนหน้าในคงไม่ไหวแล้วถ้าจะหาแรงงานคงหายากแล้วถ้าจะใช้แรงงานชาว บ, บ้านเจ้านี่ก็เป็นประโยชน์ชาว บ, บ้านกําลังอดอยากถ้ามีปัจจัยพอจะเยี่ยวยาใช้เขามาทํางานทําการได้บ้าง แล้วก็จะพอมีปัจจัยซื้อข้าวซื้อของตอนนี้หิวมากชาวบ้านอยูมากชีวิตคาวัตเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อเคยเป็นคีวิตคารวัตช่วงนี้เป็นช่วงที่กิว่วที่ขอดที่หอดที่หิวมากบางคนก็อาจจะมาขอจิ้มข้าวัดเลยแหละมันจําเป็นมันไม่มีเรามีประจงปัจจัยช่างเขา <c oughs> อันนี้ก็เป็นประโยชน์อาทินหน้าเขาก็ตัดมันขุดอ้อยอ่าตัดอ้อยคณมันแล้วพอถึงข้าวใหม่ป้ามันอันนี้ก็คือเราก็ลองเยอะ ย, อะยอะ่อยดูถ้าแต่ว่ไม่ได้เกณฑ์บางก็ไปเชื่อไม่กับอาจารย์ทรงศิลป์จานหนุ่ม สุดฝีมือไปซือ ข, ของเอาจนสุดฝีมือหาในจางที่มันตรวจตลาดดีที่สุดหรือราค้าได้ที่สุดนั่นแหละถ้าโป้ไปสองก็เล่นสตีก็ทําไปอ่าไปเกณฑ์กันอ่าถ้าใครจะช่วยก็ช่วยถ้าใครไม่ช่วยก็จะเล่นสตีไปอะไรไปเล่นไปหลับไปนอนเอาทําไป ถ้าท่านจเจริญสติก็ท่านไดนทำทุกอย่างแล้วถ้าลงก็ไม่ผิดพลาดแล้วประมาทแล้วถ้ามีสติก็เอาเลยทาลงไป่วันนี้พวกเราก็จะได้ไปบวชเป็นขายาดของพวกเราถ้าใครจะไปหลายๆก็ไปได้ทาไมไปก็ปฏิบัติอย่นี้ในจำเป็น <c oughs> มันจำเป็นต้องไปก็ได้การบวชก็คือการทำความชั่วทําความดีนี้จากความชั่วไปสู่ความดีนะการบวชเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็บวชคือ น, นี้ความชั่วทําความดีมีสติอ่ามันลง้ง